ทุกครั้งเวลาที่ทัมโมฟังลุกขึ้นจากที่นอนตื่นขึ้นรู้สึกตัวขึ้นในแต่ละวันของทุกๆวันเนี่ยเรารู้สึกตัวขึ้นแล้วสิ่งอะไรที่เราเราทำเป็นสิ่งแรกธัมมฟัง น, นี้เป็นคำถามที่ข้าพเจ้าต้องการให้ทัมโมฟังคิดนะต้องการให้ทัมโมฟังเนี่ยได้ไตรตรองตระหนักระลึกถึง ไอ้ว่าสิ่งแรกที่เราลืมตาขึ้นมาจากการที่เราหลับไหลไปไม่รู้ตัวพอรู้ตัวขึ้นมาแล้วสิ่งแรกเนี่ยคุณคิดถึงอะไรเรื่องที่เราคิดถึงอยู่บ่อยๆคือหมายความว่าสิ่งแรกอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดถึงบ่อยก็ได้แต่สิ่งแรกที่เราคิดถึงนึกถึงระลึกถึงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะจากการที่เราหลับไหลไปไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกตัว มารู้สึกตัวครั้งแรกเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องนั้นเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ในใจของเราใ น, นที่ใจของเราแสดงว่ามันมีแนวโน้มที่จะน้อมไปในในลักษณะนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเราลองระลึกดูตรวจสอบจิตใจของเรามันเป็นเรื่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญแล้วไอ้เรื่องที่เราให้ความสําคัญกับมันนึกถึง เราลึกถึงเป็นสิ่งแรกๆหลังจากที่เราตื่นนอนลุกขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมานี่ถามว่าเมื่อเราให้ความสําคัญมาแล้วจริงๆมันสําคัญหรือเปล่าคือเรื่องที่มีความสําคัญในชีวิตเนี่ยแบบมีความสําคัญจริงๆเลย น, น, นี่คือส่วนหนึ่งกับสิ่งที่เราให้ความสําคัญกับมันแต่คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญกับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญก็ได้แต่เรื่องที่สําคัญจริงๆมีความจําเป็นจริงๆ เราอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันประเดนทา่าชีวิตของเราเป็นอย่างเนี้ยให้ความสําคัญกับในเรื่องที่ไม่ได้ค่อยสําคัญและเรื่องที่มันสําคัญจริงๆเนี่ยกลับไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันชีวิตของเราเนี่ยจะดําเนินผิดพลาดตรงนั้นเจอเป็นลักษณะว่าเสียเวลาไปแตงคุณก็เสียเวลาไปคิดเรื่องที่มันมันไม่สําคัญแต่ตัวเราคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญเอา้าทําไมถึงว่าอย่างนั้นเขาบคุณไปคิดถึงมันคุณไปคิดถึงมันคุณให้ น้ำหนักกมันคุณระลึกถึงมันมันจึงสําคัญขึ้นมาพระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เราตริตรึกถ้าบุคคลเนี่ยตริตรึกในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนถ้าเราคิดถึงระลึกถึงตริตรึกดําริในเรื่องใดๆแสดงว่าจิตคุณให้ความสําคัญกับเรื่องนั้นแล้วถ้าปผื่อว่าเรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องสําคัญเป็นเรื่องแบบกระจอกงอกง่อๆ เป็นเรื่องที่หาสาระไม่ได้หาสาระได้อยู่แต่นิดนิดหน่อยหน่อยตามธรรมชาติธรรมดาของความที่มันไร้สาระแล้วให้ความสำคักับสิ่งนั้นจิตเราก็จะน้อมไปในทางนั้นทางนั้นไอ้ความที่จิตเราน้อมไปในทางนั้นทางนก็คือเราให้ความสํ า, า, ค, า, าสคัญกับสิ่งนั้นทำไมเราถึงให้ความสํามสำคัญกับสิ่งนั้นเพราะเราตรตรึกไปในเรื่องนั้นเราจึงต้องมีการตรวจสอบตัวเราเองก็คือบางทีเนี่ยจิตมันด้วยอํำนาจของอะไรก็ไม่รู้ละ่ะจิตฉันมันมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ตื่นเช้ามาเอ๊ะมันไปคิดเรื่องในทางการพยาบาทเบียดเบียนคิดในเรื่องที่มันไม่ดีคิดในเรื่องที่เป็นความกังวลคิดในเรื่องที่เป็นไปในทางการคิดอยากกินนั้นคิดอยากกินอนี้ตื่นเช้ามาก็คิดถึงความขี้เกียจความง่วงซึมความหลับไหลมันไม่ได้เรื่องท่านผู้ฟังถ้าจิตใจของเราตริดหรือไปในทางนั้นจิตเรามันจะน้อมไปในทางนั้นแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เครียดครัด เป็นสิ่งที่น่ากังวลเป็นสิ่งที่เราควบคุมอะไรไม่ได้นั่นเราจะมีความเครียดเราจะมีความกังวลใจเราจะหวั่นไหวไปตามพันธสัาต่างๆที่มากระทบเราจะไม่เป็นสุขเลยเราจะไม่เป็นแต่อยู่เราจะมีความหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นเราจึงต้องมีการควบคุมจิตนะมาฟังจิตเนี่ยมันฝึกได้มันควบคุมได้ฝึกได้ควบคุมได้เหมือนกับน้ําที่เขาสามารถที่จะ ปรับพามนนันจากที่ตามให้ไปที่สูงได้เขายังควบคุมได้นะมีขังหันมีเครื่องมือมีอุปกรณ์อะไรยังนําพาไปได้เปลี่ยนแปลงปรับทิศทางของมันให้ไปทางนั้นทางนี้ได้หรือเหมือนกับลูกศรที่มันโค้งงอมันไม่ตรงเนี่ยเขาก็ต้องเอาไฟรนแล้วก็ดัดเอาไฟรน้นแล้วก็ดัดจุ่มน้ําบ้างดัดบ้างน่ะมันก็ตรงขึ้นมาได้เขายังทําได้ดัดได้ หรือว่าไม้เอาไม้มาถากทําให้เป็นล้อกเกลีย์ทำให้ขึ้นรูป ม, มาเป็นต่างๆ่มันมีความหยาบความไม่เสมอก็ขัดแต่งมันให้มีความเรียบความสม่ําเสมอมันก็ใช้งานเป็นอย่างอื่นๆได้ทําโต๊ะท ำ, ทำเฟอร์นิเจอร์ทาเก้าอี้ทําเป็นกงล้อทําเป็นเครื่องหมุนทําเป็นอุปกรณ์ลิ่มสลักสําสหรับใช้งานต่างๆได้สิ่งเหล่านั้นสามารถปรับได้สามารถแก้ไขได้ ประชาชนจึงตรัสไว้ในที่นี้ท่านผู้ฟังบอกว่าเมื่อเราตรวจสอบตัวเราเองเนี่ยตรวจสอบตัวเราเองดูพิจารณาดูแต่ในขณะที่เวลาที่เราระลึกถึงเรื่องราวใดๆจะกเรื่องราวหนึ่งเอตอนแรกที่เราตื่นมาลุกจากขึ้นจากที่นอนหรือยังไม่ต้องลุกจากที่นอนก็ได้น่รู้สึกตัวขึ้ น, นบางคนอาจจะรู้สึกตัวขึ้นได้แต่ก่อนที่ลืมตาได้ซ้ำเนรู้สึกตัวขึ้นก่อน เราค่อยลืมตาลืมตาเสร็จแล้วค่อยลุกขึ้นลุกขึ้นนั่งเสร็จแล้วก็ค่อยลุกขึ้นยืนนั้นเดินไปเนี่ยไอช่วงเวลาแค่ตัวเนี้สั้นๆแต่บางคนอาจจะยาวเพราะว่าความขี้เกียจอะไรก็ว่าไปเถอะแต่ว่าช่วงเวลานี้เราระลึกถึงอะไรเรานึกถึงอะไรแต่เราทําความเข้าใจลองนึกถึงลองย้อนกลับไปตรงช่วงเวลานั้นจิตใจของเรามันไปทางไหนทิตใจของเราเป็นอย่างไร จิตใจของเราตรึตรกเรื่องใดจิตใจของเรานึกถึงอะไรอยู่ลองตอบตัวเองดูนะใกล้กลวนพิจารณาให้เห็นจิตของตัวเองว่าจิตของเราณขณะนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรโอยถ้านึกไม่ออกนี่แสดงว่าหลงลืมสติมากรเร้อ ม, มากอาจจะปุ๊บปั๊บปุบปั บ, ปบอะไรตื่นสายแล้วเป็นวัดแนบวับไปหนีโอ้อันนั้นต้องตั้งสติใหม่ต้องตั้งสติใหม่เอาวันต่อไปวันก่อนเป็นยังไง วันต่อไาเราจะทํำยังไงนะเราตั้งสติให้ดีและถ้าสิ่งนั้นมันเป็นไปในเรื่องของทางการพยาบาทเปลี่ยนเอาแสดงว่าไม่ถูกละและสิ่งนั้นเป็นการนึกถึงเรื่องที่ทําให้มีความเครียดครัดมีความกังวลมีความท้อใจมีความไม่สบายใจเอาแสดงว่าไม่ถูกละและสิ่งนั้นเป็นเรื่องราวที่ไม่เกิดความขี้เกียจขี้ครลานความท้อแท้ท้อถอยความกังวลใจความไม่สู้ความที่จะเบื่อเซ็งความที่จะง่วงซึม ความที่จะมีความขนองอยาบมีความหวาดเสียวนั้นเราต้องแก้ไขทำฟังเพราะสิ่งนั้นจะนํามาพามาให้จิตของเราเนี่ยมีความโน้มเ e อียงเทไปในทางนั้นถ้าจิตของเราโน้มเ e อียงเทไปทางนั้นเนี่ยอะไรมากระทบเนื้ออาหารเช้าก็ตามแปลงฟันก็ตามการจราจรก็ตามข่าวสารป่านเมืองมาทางหนังสือพิมพ์หรือมาทางอินเทอร์เน็ตก็ตามในใจใจของเราจะ จะรับไม่ได้รับไม่ได้หมายความว่ารับมาปุ๊บมันจะแตกนันจิ้ก็ต้องจะแตกนัน แ, แตกมันก็จะเริ่มดาา่าว่าน่ะมีผลออกมาทางวาจาล่ะน่ะมีผลออกมาทางกายล่ะ ก, กายก็จะเริ่มทําไม่ดแีแต่ใจมันแตกปุ๊บมันจะกังวลกัน alguma. แต่มันจะอยู่ไม่เป็นสุข ม, มันก็จะเครียดครัดมันก็จะคลียดครัดน่ะมีความไม่สบายใจมีความกังวลใจมีความทุกข์ใจว่าไป ในตามเรื่องของจิต ท, ที่มันจะแตกไปในทางต่างๆได้เนี่มันก็ทําสิ่งที่ไม่ดีโทรหาคนก็พูดไม่ดีลเล่าเรื่องนี้ให้คหนอื่นฟังก็พูดไม่ดีเนีมีแต่อารมณ์ความรู้สึกชนิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยเราจึงต้องมีการรักษาจิตมีสติให้เป็นเรื่องรักษาจิตเอาไว้รักษาจริตองเราให้มั่นเพราะงั้นการที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยจะลุกขึ้นจากที่นอนเนี่ยให้ตั้งสติเอาไว้ก่อนแต่ก่อนที่จะลืมตาด้วยซ้ํา ให้ตั้งสติเอไว้ก่อนก่อนที่จะตื่นด้วยซ้ํา <c oughs> ก็ต้องตั้งสติอาไว้ก่อนแล้วก่อนที่จะตื่นเนี่ยก็คือหมายถึงกอ่น อ, นกอนที่จะนอนนั่นแหละก่อนที่จะนอนนี่คุณให้ตั้งสติอาไว้ก่อนนะะว่าให้เรามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกสักระยะหนึ่ง่นะอยู่ในท่านอนก็ได้อยู่ในท่านั่งก็ได้แต่นะเราก็นอนไปนอนไปด้วยการน้อมจิตไป น้ารมีสติเป็นอารมณ์เดียวแนวแน่อยู่ไม่ไหวติงไปในทางไหนพยายามที่จะดับพยายามที่จะระ ง, งับความคิดต่างๆไปเราพยายามที่จะดับที่จะระ ง, งับความคิดในเรื่องอื่นไปตั้งแต่ก่อนที่เราจะนอนจำ่วงก่อนที่เราจะนอนทําสมาธิสักเล็กน้อยสักหน่อยหนึ่งใ น, ในท่านั่งนี่แหละหรือในท่านอนก็ได้บางคนอาจจะนั่งไม่ไหวเพื่อที่จะให้จิตของเรานั้นมันไม่ต้องคิดเรื่องอะไร พยายามที่จะดับระ ง, งับความคิดแล้วมันจะเป็นเวลานอนละคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้หยุดซนะนะให้จิตของเราเป็นอารมณ์อันเดียวให้มาตั้งมั่นเอาไว้ในะที่ไหนเอาที่โรงจมูกของเรานี่แหละที่โพรงจมูกของเราที่เวลาที่เราจะสามารถที่จะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้แต่รับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ที่ไหนเอาจิตของเราเนี่ยตั้งไว้ที่ตรงนั้นเมื่อเราทําอย่างนี้แล้วไอนะ้ความคิดความนึกมันจะค่อยละไปดับไปได้ พราตรัสเอาไว้นั่นบอกว่าอาณาปานสติเนี่ยที่เมื่อเราเจริญให้มากกระตัมไห้มากแล้วนันก็จะเป็นไปเพื่อการละเสียซึ่งวิตกนั่ละเสียซึ่งความฟุ้งซ่านแห่งจิตนั่ละเสียซึ่งความคิดไปในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าจิตของเราเนี่ยมีฐานที่ตั้งนัมีที่ให้ระลึกถึงอยู่มีบ้านอยู่นั่มาระลึกถึงลมหายใจนี้นั้นมันก็ไม่ไปเที่ยวเกาะเกี่ยวในความคิดในอารมณ์ต่างๆ พอเป็นอย่างนี้แล้วเราก็น้อมจิตไปเพื่อที่จะนอนนะโดยตั้งใจว่าอย่าให้ความคิดในทางที่เป็นบาปอากุศลทั้งหลายเนี่ยมาคลุ้มรุมจิตของเราผู้นอนอยู่นะการนอนในลักษณะนั้นนะก็จะเป็นการนอนที่ เ, เป็นสุขแน่ละ่นะอย่างหนึ่งที่จะเพิ่มขึ้นไปได้ในการก่อนที่คุณจะนอนด้วยซ้ำนตะอนที่คุณจะนอนเนี่ยในขณะนะที่เรามีสติยวงนั้นนะให้เจริญเมตตาเปนะ่านะนะให้ตั้งจิตเอาไว้ในความที่จะ ให้สัตว์ทั้งปวงเนี่ยมีความสุขและมีความสบายใจมีความสุขใจมีความเย็นใจและมีความสุขความสมบูรณ์ความสบายให้มองสัตว์ทั้งหลายอย่างนั้นแนะให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีอารมณ์อย่างนั้นนี่คุณสว่วนหนึง่งนะให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้จิตของเราเนี่ยมองสรรพสัตว์ทั้งหลายนะแอ่ไปด้วยความเป็นผู้ที่มีใจมีจิตแบบคนที่เขารักใคร่กันแล้วเขาจะระลึกถึงกันเขาจะมองกัน ในคนที่รักใคร่มองกันอยู่เนี่ยสายตามันก็จะเป็นแบบหนึ่งใ น, นจิตที่มีความรักใคร่มีความพอใจแผ่ไปในทุกที่ทุกทางกับสัตว์ทั้งหลายนั่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเราสามารถทําตรงนี้ได้จากใจของเราที่มีสติในถ้าใจเรามีสติไม่คิดเรื่องอะไรแล้วน้อมจิตไปในการที่เจริญจิตในการทําจิตให้มีความรากักความเอ็นดูความเมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลายนําไปในทุกที่ทุกที่ทุกทางอย่างนี้แล้ว น, น, นี้คือลักษณะของการเจริญเมตตาเผ่านะ แต่บางคลที่มีการเจริญเมตตาภาวนาอยู่เป็นประจำเนี่ยจะสามารถที่จะหลับได้เป็นสุขนะตอนหลับเนี่ยตอนช่วงที่คุณกําลังจะนอนเนี่ยก็จะมีความสุขนะก่อนที่คุณจะนอนไปก็มีความสุขแตนะ่ระหว่างนอนไปก็ไม่ฝันร้ายนะเพราะไม่มีความคิดในทางบาปอกุศลมาเยือนไม่พลิกไปพลิกมาไม่ลุกรี้ลุกรนแลนะไม่ฝันคิดเรื่องบ้าๆบอๆนะไม่สะดุ้งตื่นกลางคันบางคนทําได้ดีทําได้ชํานาญ นอ น, นอนรวดเดียวเลยไม่ต้องลุกไปเข้าของน้ําเดยซ้ำนั่นเพราะว่าความที่ตัวเองนั้นมีจิตที่มีกําลังนั่นมีความชานาญละนอ น, นอนรวดเดียวการพักผ่อนมันก็ได้เต็มที่แต่เวลาตื่นเราก็ไม่สะดุ้งตื่นในเวลาตื่นก็เป็นสุขแต่เวลาลุกขึ้นมาแล้วในตอนที่จะตื่นนั้นก็มีสติอยู่ในการหลับแบบเนี้ชื่อว่าเป็นการหลับอย่างมีสติเป็นการหลับแบบตื่นอยู่ในการหลับแบบตื่นอยู่เนี่ย คือการหลับแบบมีสติแต่ไม่ใช่ว่าหลับแบบหลับไหลหลับแบบเพ้อฟุง้งหลับแบบละเมอเพ้อพบหลับแบบฝันไปเรื่องราวต่างๆนานาไม่สามารถที่จะควบคุมได้อันนั้นก็เรียกว่าเป็นพูดหลับไหลแต่บางคนตื่นอยู่เนี่ยแบบลืมตาเดินไปแน่นไปนี่แต่จิตใจนั้นมีความหลับไหลมีความมึนงงมีความคิดเพ้อฟุ้งไปมีความคิดชนิดที่เรียกว่าเป็นไปในทางอากุศลอันนั้นไม่ใช่ว่าตื่นอยู่นะ เดินไปก็เหมือนผีหนาหลับไหลอยู่หน่งเป็นผู้ที่สูกสะกดจิตถูกครอบงำด้วยสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมแต่ถ้าจิตใจเราแม้หลับอยู่อย่างที่ว่านี่แหละ่มีสติเป็นญรมณเดียวตั้งแต่ก่อนนอนนอนไปแล้วหลับไปแล้วหนูก็ไม่มีเรื่องราวที่เป็นอกุศลมากวนแต่ถ้านอนตรงนั้นเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่ตื่นอยู่เป็นหนึ่งในองค์ธรรมที่เรียกว่าฌากริยานธรรมฌากริยานธรรมเนี่ยแปลว่า การประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นแต่ซึ่งการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่นอนนอนอยู่แต่ระหว่างนอนก็มีสติไอ้ระหว่างตื่นก็ทำสติให้มั่นคงอยู่ตลอดแต่พราะะฉนั้นตอนตื่นเราทำสติให้มั่นคงอยู่ตลอดนอนยามเดียวนอนรูดเดียวรู้สึกตัวปุ๊บลุกขึ้นทันทีการนอนตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นการนอนอย่างที่มีสติในลักษณะที่ว่าไปนี้แต่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งคำว่าให้ทบทวนให้ดีความคิดนึกสิ่งแรก เร่อที่เราลุกขึ้นตื่นขึ้นเราพิจารณาเห็นเราลึกถึงเรื่องอะไรเราต้องเห็นตรงนี้ให้ได้เราต้องระลึกเรื่องนี้ให้ได้ถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีคุณต้องแก้ไขไปแก้ไขตอนไหนแก้ไขตั้งแต่ก่อนนอนนุ่นถ้าไดก่อนนอนเราต้องทําสมาธิชนิดหนึ่งอันนี้เป็นรูปแบบนิดหนึ่งแต่ถ้าเราทําสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบไม่ได้ให้คุณตั้งสติเอาไว้ก่อนนตั้งสติรู้ลมหายใจให้ได้แวางความคิดนึกเรื่องราวอารมณ์ต่างๆได้ได้ให้หมด น้อนจิตไปเพื่อการนอนให้น้อมจิตไปเพื่อการนอนในลนักษณะที่ว่ามไม่ให้บาปอกุศลทั้งหลายเนี่ยมันมาครอบงมกลุ่มรุมจิตงเราอยู่แต่ว่าให้จิงของเรานั้นเป็นจำนวนเดียวแล้วก็นอนไปในตอนที่จะนอนนั้นก็เจริลเมตตาภาวนาด้วยในการที่มองสรมปัสส์ทั้งหลายในการที่มองสิ่งทั้งหลายใ น, นด้วยจิตใจของคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่โดยสดต่างคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่การนอนของเรานั้นก็จะมีประสิทธิภาพล่ะในเรื่องของทางชีววิทยา ในทางกายภาพแต่มีประสิทธิภาพในเรืงทางใจด้วยในใจนั้นไม่มีความคิดทางการพยาบาติเปียดเบี่ยนแล้วตั้งใจเอาไว้อีกอย่างหนึ่งจำ่วงเป็นอย่างที่3ว่ารู้สึกตัวขึ้นเมื่อไหร่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะรีบลุกขึ้นทันทีแล้วรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะรีบลุกขึ้นทันทีโดยไม่ประกอบความสุนในการเอนนอนความสุนในการเอนข้างความสุนในการเคลิ้มหลับแต่คือแน่นอนละ่ะเนื่องจากร่างกายในทางกายภาพเนี่ย พอเรานอนไปเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนมีอะไรต่างๆที่จะทําให้เรารู้สึกง่วงทําให้เรานอนแล้วในบางครั้งเนี่ยไอฮอร์โมนนี่มันยังหลงเหลืออยู่ในร่างกายทําให้บางทีเราถึงเวลาตื่นแล้วเนี่ยมันไม่ลุกแต่มันยังง่วงซึมอยู่มันยังมึนตึงอยู่แต่ถ้าเรารู้จักเวลาที่เหมาะสมในการนอนแต่คุณนอนถูกเวลารู้จักว่าร่างกายเรามีเวลามีจังหวะอย่างไรเนี่ยอไอฮอร์โมนต่างๆนี้มันจะหายไป เรจะรู้สึกสดชื่นถึงแม้ว่าจะเป็นตีสามตีสหรือตีสอก็ตามเนี่ยถ้าบางคนชินแล้วมีความเคยชินแล้วปรับเวลาร่างกายดีแล้วเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นเวลานั้นปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ง่วงและมันจะสดชื่นขึ้นมาทันทีอันนี้เราก็ค่อยฝึกเอาแตเพราะว่าผู้ที่ฝึกดีแล้วทําดีแล้วเนี่ยเขาสามารถเลยทำมาฝังถึงเวลาตื่นปุ๊บปุุ๊๊ถึงเวลานี้ปุ๊บมันรู้สึกตัวขึ้นเลยลโดยที่ไม่ต้องมีนาฬิกาปุก หรืแม้แต่ถ้าผู้ฟังหลายๆท่านที่เคยมาแบ่งปันประสบการณ์ก็มีเหมือนกันนักปฏิบัติหลายๆคนนะสมมติตัวเองตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอนตีสี 4, นาฬิกาตีหก็ตามมันจะตื่นก่อนในาฬิกาปลุกสักนิดหนึ่งนะตื่นก่อนสัก5นาทีหรือ10นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะนาฬิกาไม่ต้องปลกุกแต่ทาจนจานานจนกระทั่งไม่ต้องมีนาฬิกาปลุกเลยด้วยซ้ำอันะนี้เป็นนิสัยที่เราจะต้องฝึกให้ดีแลนะฝึกให้ไดนะ้ว่าตั้งแต่ก่อนนอนคุณตั้งจิตไว้อย่างไร แต่การนอนของเรานั้นจะมีประสิทธิภาพตอนที่คุณจะตื่นตอนที่คุณจะลุกนะคือบางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มฝึกนนรู้สึกตัวปุ๊บอา้าวลุกขึ้นทันทีโอ้มันเพิ่งเที่ยงคืนเองนอนไปตอนสี่ทุ่มนอนไปสองชั่วโมงก็รู้สึกตัวลุกขึ้นแต่ขอให้ทํานตะ่เพราะว่าอย่างน้อยเราลุกขึ้นมารู้สึกตัวปุ๊บยังไม่ต้องดูนาฬิกาเลยนั่นลุกขึ้นก่อนเพราะการลุกขึ้นการนั่งขึ้นเนี่ยมันเป็นนิสัย แตที่เมื่อเรารู้สึกตัวปุ๊บเราจะตั้งขึ้นทันทีจิตเราระลึกได้ปุ๊บจิตเราจะกลับมาฐานที่ตั้งทันทีในทางกายกับทางจิตเนี่ยมันเนื่องกันเนืเพราะว่ากายของเรามันก็มีจิตอยู่จิตของเรามันก็อยู่ในกายนี้แต่ถ้าในกายของเราเนี่ยเราฝึกให้มีการที่จะลุกขึ้นการนั่งขึ้นเนี่ยหลังจากที่เรารู้สึกตัวขึ้นจากการนอนเนี่ยมันจะเป็นนิสัยที่จะให้จิตเป็นอย่า ง, งานั้นเหมือนกันแต่เพราะนั้นไม่ว่าจะกี่โมงก็ตาม เนะ่คุณรู้สึกตัวปุ๊บคุณค่อยๆลุกขึ้นเนะ่ยลุกขึ้นทางด้านข้างเนี่ยจะทําให้การลุกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกานะลุกทางด้านด้านหน้าเนะ่ยมันจะทําให้ใช้กล้ามเนื้อมากนิด น, นึงอาจจะลุกยากสาหรับบางคนแตนะ่เราพลิกไปด้านข้างแล้วก็ลุกขึ้นมาเนะี่จะทําให้การลุกนั้นได้ง่ายนะ่ยลุกขึ้นเสร็จปุ๊บทําสมาธิสักนิดนึ่งเนะ่ยทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวให้มีฐานที่ตั้งให้จิตนั้นไม่ไปคิดเรื่องในทางการปฏิบัติเบียดเบียน แต่ให้จิตนั้นมามีสติอยู่ลมหายใจในช่วงตั้งแต่ก่อนนอนกำลังจะหลับหลับไปแล้วนั้นหลับอยู่กำลังจะรู้สึกตัวรู้สึกเติร์กุ้นแล้วลืมตาแล้วลุกขึ้นแล้วในช่วงกระบวนการตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่มีสติมีสติแล้วมันก็สบายกันสิมีสติแล้วการหลับในตรงช่วงนั้นจะสั้นก็ตามจะยาวก็ตามแต่มันจะมีประสิทธิภาพน่นมันจะมีความที่เรียกว่า ใจิตใจนั้นได้รับพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้นะใจิตใจได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ร่างกายมันก็ได้พักผ่อนเหมือนกันเรื่อาาการนอนะตรงนั้นจะเป็นกี่ชั่วโมงก็ตามแต่บางคนเนี่ยในช่วงที่หลับเนี่ยสั้นมากหรือซ้ํำตั้งแต่ก่อนนอนใช่ไหมที่พูดไปช่วงจวังหวะมันจะเป็นอย่างนี้นะท่านฟังตั้งแต่ก่อนนอนจนกระทั่งเอ็นกายนอนไปแล้วเอ็นกายนอนไปแล้วยังไม่หลับแต่เอ็นกายนอนไปแล้วหลับตาลงแล้วแต่ยังไม่หลับ เนเอ็นกายลงไปแล้วหลับตาลงแล้วจิตก็หลับไปแล้วนีจิตหลับไปแล้วหลับอยู่ระหว่างหลับอยู่เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็ระหว่างหลับอยู่เนี่ยเริ่มจะรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยยังไม่ลืมตารู้สึกตัวแล้วแต่ยังไม่ลืมตาจนกระทั่งลืมตาแล้วลืมตาแล้วแต่ยังไม่ลุกเนี่ยลืมตาแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็ทําสมาธิสักหน่อยหนึ่งในช่วงเวลาทั้งหมดเนี่ยเราจะมีความสบายนีบางคนในช่วงเวลาที่หลับไปเนี่ยโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยสั้นมากเลยซ้าสั้นมาก แต่จนทำให้บางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับตัวเองไม่ได้หลับเลย น, นอนอยู่แต่มันไม่หลับแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วเออกับไม่รู้สึกเหนื่อยกับรู้สึกสดชื่นธรรมดาอันนี้แหละเป็นการนอนที่มีประสิทธิภาพเป็นผู้ที่ประกอบอยู่ในตามันเป็นเครื่องตื่นเพราะฉะนั้นการนอนของเราเนี่ยจะมีประสิทธิภาพได้เรื่องกายภาพมันก็เกี่ยวกันนะในเรื่องจิตอย่างที่พูดมามันต้องเป็นอย่างนี้ในเรื่องสุขภาพร่างกาย ก, ายก็มีส่วนคุณเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรไหมในร่างกาย มีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็จะมีส่วนอยู่ทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่ปกติธรรมดานะร่างกายโรคภัยไข้เจ็บป่วอะไรต่างหายดีเรียบร้อยแล้วอาจจะอายุมากบ้างอะไรบ้างบางทีเราก็ฝึกได้เหมือนกันนะเริ่มจากตั้งแต่เราก่อนนอนแล้วนะก่อนอนเรามีสติให้ดี้นะตั้งสติเอาไว้ น, ะน้อมจิตไปเพื่อการนอนนะทําความคิดนึกอะไรต่างให้มันดับไปให้ระ ง, งับไปนะให้มีการปรุงแต่งทางจิตนะจิตตะสังขารเนี่ยให้มันระ ง, งับไปใช่ไ หนาจิตน้อมไปเพื่อกันนอนแล้วเรานอนไปหนาะไม่ต้องคิดเรื่องอะไรนอนไปเพื่อกันนอนเราจะรู้สึกตัวมาในจังหวะที่ร่างกายของเราเนี่ยพักผ่อนเพียงพอหนารู้สึกตัวปุ๊บให้ลุกขึ้นทันทีค่อยๆลุกขึน้นและมีสติตั้งขึ้นเอาไว้แในะการกระทําทอย่างนี้เรารู้สึกตัวลุกขึ้นแล้วหนาะก็ไปทํากิจการงานของเรานะัาถ้าเป็นประสงค์ประชาประสงค์อาคุณลุกขึ้นอาจจะไปสวดมนต์อาจจะไปทําวัดเช้าลุกขึ้นแล้วคุณก็อาจจะไปบินฑบาต อาจจะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิกระทำไปนี่คือของงานของประสงค์อาจจะเป็นคารวะญาติโยมลุกขึ้นลหลังจากทําสมาธิสักเล็กน้อยแล้วก็ไปเรียนการไปทํางานทํากับข้าวหุงหาอาหารอะไรก็ว่าไปแต่แต่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆเนี่ยเราสามารถที่จะทรงสติตรงนี้ไว้ให้ได้ตลอดนะไว้ให้ได้ตลอดเพราะว่าสติเนี่ยมันอยู่กับจิตนั่องจิตมีที่ตั้งที่ระลึกถึงเมื่อไหร่สติมันมาทันที เระฉะนั้นเที่มีที่ตั้งที่ราเลึกถึงเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่ที่ว่าคุณทําอาชีพอะไรคุณจะทําอาชีพอะไรละ่ะเป็นทหารเหรอเป็นทหารคุณก็มีสติได้เป็นพลเรือนคุณก็มีสติได้แตนะเป็นแม่บ้านเป็นนักเรียนเป็นพ่อค้าเป็นพนักงานบริษัทแตนะ่สามารถที่จะมีสติต่อจากการที่คุณทําสมาธิละสั้นๆในตอนเช้าเนี่ยลุกขึ้นแล้วแตนะ่ทําให้มันต่อเนื่องไปแตนะ่ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ใจของเราเนี่ย มีกำลังอยู่ในตลอดวันแตวันนั้นเนี่ยทั้งวันเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่อยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นตลอดเราจะตื่นอยู่ตลอดและไม่มีการง่วงซึมไม่มีความขี้เกียจขี้คร้านและมีสติอยู่ตลอดเวลามีอะไรมากระทบเราก็จะรับได้แต่เป็นผู้ที่เรียกว่าไม่หลับไหลเป็นผู้ที่เรียกว่ามีใจมีสติแล้วใช่ไหมจิตของเราเนี่ยต ร, ตรึกในเรื่องใดๆมากมันก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้น เรื่งตั้งแต่เราตื่นนอนมาปุ๊บเราคิดเรื่องดีๆในที่นี้ก็คือความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการปยาบัติเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะเรามีสติอยู่เรามีสติอยู่ตั้งแต่ก่อนตื่นด้วยซ้ําตั้งแต่นอนอยู่ด้วยซ้ําตั้งแต่ก่อนนอนด้วยซ้าเรามีสติตั้งแต่ก่อนนอนนอนอยู่ก่อนลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วมีสติอยู่ตลอดอย่างนี้เนี่ยมันก็น้อมไปในทางกุศลตัวนึงแต่จิตเราก็เชื่อตรึกในทางกุศลน้อมไปในทางกุศลเราทรงจิตตรงนี้ไว้ให้ได้ตลอด <designs S 2> ดังนั brain, has, taste, public, the the that, feeling, Now, ้นตั้งวันก็จะเป็นวันที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นกุศลธรรมวันนั้นจะเป็นวันดีวันนั้นจะเป็นวันพระวันนั้นจะเป็นวันมงคลเพราะเรามีพระมีความดีมีความมงคลอยู่ในใจของเราสิ่งนั้นมาจากไหนก็มาจากใจที่เราตั้งไว้อย่างดีนั่นแหละท่านผู้ฟังอะไรก็ตามที่ใจของเรามีความตั้งไว้อย่างดีตั้งไว้อย่างดีเนี่ยคือตั้งเอาไว้ดีๆบนสิ่งดีๆตั้งไว้อย่างดีบนสิ่งดีๆเนี่ยใช้อะไรตั้ง ใช้สตินี่แหละตั้งขึ้นใช้สติปฐานสีเนี่ยตั้งขึ้นปฐานนี่คือฐานที่ตั้งในลำวังแต่สติคือการระลึกได้แต่เราให้มีฐานที่ตั้งของจิตงเราตั้งขึ้นอย่างดีแต่จิตที่ตั้งไว้ดีแล้วใช้อะไรตั้งใช้กายก็ได้ใช้ลมหายใจก็ได้เราจะระลึกถึงพระเจ้าก็ได้เราจะระลึกถึงคุณงามความดีระลึกถึงสิ่งของเราได้ทั้งนั้นใช้สิ่งเหล่านี้เป็นฐานที่ตั้งคือตั้งไว้อย่างดีแล้วมันก็จะเป็นวันที่ที่ดีแน่ล่ะ เพราะสิ่งนั้นเป็นจริงที่เป็นมงคลการมีสติเป็นมงคลอย่างหนึ่งในใจของเราการมีสติเป็นกุศลธรรมอย่างหนึ่งในใจของเราการมีสติแสดงคุณเป็นผู้รู้มีความรู้รู้อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึง่งที่มันจะทําความแ จ, จ่มแจ้งความมีสติให้เกิดขึ้นได้ความรู้ตรงนั้นคือพุทธะพุทโธเอาคุณก็มีพุทธะอยู่ในใจแล้วในใจคุณมีกุศลมีความมงคลมีพระอยู่ในใจอย่างนี้เอาจะให้พระไม่ห้อยพระก็ได้เนื่อจะมีเครื่องรางของขังอะไรก็นั้นไม่ใช่สาระสําคัญ แต่สาระสําคัญคือจิตตรงนี้แต่สาระสําคัญคือไม่ใช่ว่าจริงจดจะทักเป็นเสียงกี่เสียงตุกแกจะร้องกี่ครั้งแต่ในถ้าใจของเรามีส ต, ติตั้งอยู่อย่างนี้คุณออกนอกบ้านได้อย่างสบายใจเลยแต่คุณตั้งเอาไว้อย่างนี้ตลอดนหนไปไหนตกน้ําก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหมเพราะจิตนั้นจะไม่หวั่นไหวไปตามกับน้ำที่มันไหลยอยู่ไม่หวั่นไหวไปตามกับไฟที่ไหมอยู่เป็นจิตที่มัน่นคงเดินทางที่ไหนก็ปลอดภัยนะเป็นที่ที่ผู้ช่างเราเนี่ยเที่ยวไปอยู่เสมอ ไปทางเดียวกันไปทางเดียวกันกับพระพุทธเจ้าไปทางเดียวกันกับเราพระอรันทั้งหลายไปทางเดียวกันกับเราพระอริยสาวกผู้กําลังดําเนินไปยู่เราไทางนี้ดีแน่นอนไม่ต้องกังวลเลยตำรวงถ้าเราเดินไปทิศทางไหนก็ตามด้วยจิตที่มีลักษณะอย่างนี้ไ่ะให้มั่นใจได้แต่ว่าทางนั้นเป็นทางดีทางนั้นเป็นทางที่จะพาเราไปสู่ที่ที่มีความสุขอันเกษมน่ะเราไปที่ไหนดําเนินการอย่างไรและมีสติเอาไว้ ตั้งแต่ตอนลุกขึ้นมีสติเอาไว้ตั้งแต่ก่อนตื่นมีสติเอาไว้ในขณะที่นอนอยู่มีสติเอาไว้ตั้งแต่ก่อนนอนมีสติเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่จะหลับมีสติเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะก่อนนอนตั้งแต่ตอนที่นอนอยู่ยังไม่หลับมีสติเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่ก่อนนอนเอนกายนอนเราฝึกไว้ช่วงนี้แต่เพราะว่าช่วงเวลาที่เรานอนอจริงๆมันเป็นช่วงเวลาของเราเองจริงๆเราเริ่มก่อนนั้นๆก็ได้ท่านผู้ฟังเราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ นะระหว่างวันเราฝึกในการที่จะให้มีสตอิอย่างต่อนเนื่องฝนะึกไปตอนเย็นเราก็พยายามที่จะฝึกสติเอาไว้ก่อนนอนอาบน้ําเรียบร้อยแล้วจะนอนเออตอนนั้นเราก็มาฝึกสติได้มันจะช่วยกันเป็นลําดับลําดับไปท่านฟังในะวินาทีนี้จิตใจขงเราตั้งไว้ดีมันจะช่วยวินาทีต่อไปในะขณะจิตนี้จิตใจขเราตั้งไว้ดีมันจะช่วยขณะจิตต่อไปในะขณะจิตต่อไปดีหรืออาจจะไม่ดีก็ตามนะ แต่พยายามที่จะฝึกพยายามที่จะทําแล้วมันก็จะช่วยขนาดจิตต่อไปนาทีนี้ดีแล้วนาทีต่อไปก็ดีเอามัอาจจะเป๊ะบ้างอะไรป้างก็ปรับใหม่นปรับตอนนี้ให้ดีนาทีต่อไปต้องดีชั่วโมงนี้ดีชั่วโมงต่อไปต้องดีตอนเช้าดีตอนเย็นต้องดีตอนเย็นดีก่อนนอนต้องดีก่อนนอนดีระหว่างนอนมันก็ดีระหว่างนอนดีตื่นนอนมันก็ดีตื่นนอนดีวันนั้นมันก็ดีเราทําจิตของเราให้ดีอย่างนี้โดยการที่มีสติอยู่ ข้าพเจ้าพระอภบูรณาพี่ปุโนโนจากวัดป่าดอนนายโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร